คนจีนกลับบ้านไม่ได้แล้วต้องอยู่เมืองไทยคลอมาในเมืองไทยโรคไวรัสมันยังไม่มากหรอกเชื้อไวรัสชนิดที่หูฮั่นนะในเมืองไทยก็มี อยู่ในข้างขาวทางจุฬาเขาเอาข้างขาวมาวิจัยเจอเชื้ออย่างเดียวกันพี่แต่คนไทยไม่กินข้างข่าวกนะเลยไม่เป็นโรคไอที่น่ากลัวกว่าเชื้อไวรัส่อคือฝุ่นฝุ่นที่ละเอียดที่เราใส่หน้ากาก ช่วงนี้ฝุ่นมันเยอะฝุ่นมันน้อยลงก็ไม่ต้องใส่การปฏิบัตินะอย่าให้จิตออกนอกหลวงพ่อไปเรียนกับหลวงปู่ดูล น, นะหลวงปู่ดูลท่านจะสอนว่าอย่าสูจิตออกนอก จิตที่ส่งออกนอกคือจิตที่ไม่มีสมาธิมันจะไหลไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไหลไปคิดทางใจจิตมันเคลื่อนไปนี่เรียกว่าจิตส่ออกนอกบางคนคิดว่าออกนอกต้องไปอยู่ข้างนอกนะความจริงถ้าเราส่งจิตเข้าไปข้างในนะเคลื่อนไป อย่างเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องเคลื่อนไปอยู่ที่มอือเคลื่อนไปอยู่ที่เท้านะก็ถือว่าจิตออกนอกเหมือนกันนะออกนอกก็คือออกนอกจากฐานที่ตั้งที่เป็นตัวรู้จิตออกนอกจิตไม่มีสมาธินี่นเราต้องมาฝึกนะจิตออกนอกแล้วรู้ไว เราลองซ้อมดูนะเนึกถึงเส้นผมของเราทุกคนลองนึกถึงผมของตัวเองให้จิตใจไปจดจ่ออยู่ที่เส้นผมรู้สึกไหมใจเราเคลื่อนไปอยู่ที่ผมนะเมื่อไรมีการเคลื่อนเมื่อนั้นเรียกว่าจิตออกนอกทั้งหมดเลยเคลื่อนอยู่ในร่างกายก็ออกนอกนะในความหมาย ของเลางู ด, ดูลเราลองย้ายจิตของเราไปไว้ที่นิ้วมือลองย้ายจิตไปอยู่ที่นิ้วมือของตัวเองนะสนใจลงไปรู้สึกไม่จิตมันไหลไปอยู่ที่นิ้วดูวออกไหมงั้นเราอยากหัดดูจิตออกนอกเนี่ยจะออกไปไกล ออกไปข้างนอกจริงๆเดี๋ยวหาทางกลับบ้านไม่ได้เราดูอยู่ในร่างกายเหานี้แนะจงใจเอาจิตไปไว้ที่นี้ที่นี้ที่นี้อะไรเนี้ยย้ายที่ไปนะไม่ต้องย้ายเร็วเกินไปนะค่อยๆค่อยๆเคลื่อนย้ายเร็วไปเดี๋ยวดูไม่ทันเราดูไม่ออกเองอเราจิตไว้ที่หูซิที่หู จิตไปที่หูเราพุ่งความรู้สึกไปอยู่ที่หูตัวจิตคือตัวความรู้สึกเนี่ยพอเรารู้ทันแล้วตอนนี้จิตไปอยู่ที่หูแล้วเราก็ย้ายที่นะย้ายไปอยู่ที่อื่นในตัวเราเนี่ยย้ายไปเรื่อยๆนะแต่แม่ได้ย้ายเร็วเกินไปนะย้ายเร็วไปเราดูไม่ทัน การที่เราคอยดูจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาบ่อยๆฝึกอยู่ช่วงหนึ่งเนียต่อไปพอจิตมันเคลื่อนโดยเราไม่ได้เจตนามันเคลื่อ น, นเราจะเห็นจิตที่เคลื่อนไปส่วนใหญ่เคลื่อนไปคิดใหญ่เคลื่อนไปคิดอย่างเนี้ยพระ อ, องค์นี้ที่นั่งข้างหน้านี้จิตหลงไปแล้ว จิตหลงไปจิตหลงรู้ว่าจิตหลงจิตหลงจะดับแล้วก็เกิดจิตที่รู้ขึ้นแทนอย่างพวกเราหลายคนสนใจว่าพระองค์ไหนเนี่ยจิตเราไปอยู่ที่พระอันนี้เราหลงดูหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสในร่างกายอย่างหลงไปในร่างกายหลงไปคิดทางใจ ในเบื้องต้นของการปฏิบัตินะครับหัดรู้จิตที่มันเคลื่อนไปนะโดยการพามันเคลื่อนไปในส่วนต่างๆของร่างกายต่อไปพอจิตมันเคลื่อนเนี่ยสติจะเกิดเองส่วนใหญ่มันจะไหลไปคิดไหลปุ๊บไปคิดไหลไปดูไหลไปฟังสามช่องทางนี้เกิดมากที่สุดไหลไปคิดเกิดบ่อยที่สุด ไหลไปดูถ้าเราตามไม่บอดก็นะจะไปไหลบ่อยเป็นที่สองไหลไปฟังอันนี้เป็นที่สามถ้าเราหูไม่หนวกไหลไปทางจมูกทางลิ้นอะไรอย่างนี้มีไม่มากส่วนใหญ่ก็ไหลไปไหลไปคิดไหลไปดูไหลไปฟังเนี่ยพอจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันจิตเคลื่อนไปดูรู้ทันจิตเคลื่อนไปฟังรู้ทันจิตก็จะตั้งมันขึ้นมาอีก ในการที่จิตจะเคลื่อนไปคิดเรารู้จิตจะเคลื่อนไปดูเรารู้จิตจะเคลื่อนไปฟังเรารู้ได้เราก็หัดรู้การเคลื่อนของจิตนั้นจิตเคลื่อนไปอยู่ที่นี้เคลื่อนไปอยู่ที่นี้เราพาพามันเคลื่อนซ้อมเคลื่อนซ้อมเคลื่อนบ่อยๆพอเราซ้อมเคลื่อนจนชำนาญต่อไปพอจิตเคลื่อนปั๊บมันจะรู้เองไม่ได้เจตนารู้ สิ่งที่ได้มาคือสมาธิที่ถูกต้องเมื่อมีสมาธิที่ถูกต้องแล้วเราเก้าวไปสู่การปฏิบัติในขั้นที่สูงขึ้นไปพนะาจิตใจมีสมาธิถูกต้องจิตใจก็จะอยู่กับตัวเองไม่ไหลไปที่อื่นนะอยู่ที่ตัวเองงานต่อไปของเราคือการเจริญปัญญาที่หลวงพ่อเรียนจากหลวงปู่ดูลนนะีการเจริญปัญญาเนี่ยท่านสอนให้หลวงพ่อดูจิต พ่อหลวงพ่อเป็นคนช่างคิดนะงั้นี่งพวกเรายังคนจีนเนี้ยช่างคิดเป็นชาติที่คิดเก่งมีปัญญามากนะถ้าพวกโง่โงไม่ค่อยคิดอะไรวันๆันก็ซึมซึมไปทนะีพวกเราสมองดีคิดคิดคิดหลวูดูลดสอนการดูจิตให้เป็นกรรมฐานที่เหมาะกับพวกคิดมาก ในอรพิธรรมก็บอกนะว่าการดูจิตเนี่ยหมาะกับพวกทิฏฐิจริตพวกช่างจิตการดูจิตทำยังไงหลวงปู่ดวงก็สอนหนึ่งประโยคนะอย่างตอนทาสมถะท่านก็สอนประโยคเดียวอย่าส่งจิตออกนอกพอตึงขัน้นการเจริญปัญญาเนี่ยท่านสอนประโยคเดียวจงทมยานเห็นจิต ให้เหมือนตาเห็นรูปทำอะไรทำญาณญาณคืออะไรญาณคือปัญญามีปัญญาเห็นจิตเหมือนที่ตาเห็นรูปไม่ใช่มีสติเห็นจิตนะท่านบอกว่าจงทำญาณเห็นจิตให้เหมือนดังตาเห็นรูปถ้าเราเอาสติไปดูจิตเช่น แต่นี้จิตเราไปอยู่ที่หูแล้วเราสติจับลงไปที่ที่จิตที่อยู่ที่หูเนี่ยสิ่งที่ได้คือสมถะนะเพราะนั้นถ้าตัวสติเนี่ยไประลึกรู้อะไรนะเราเรารู้ไม่หลงลืมไปนะในขณะนั้นเป็นสมถะแต่ถ้ามีญาณเห็นจิตนะหรือเหตุญาณเห็นกายก็ตามถ้าเห็นด้วยปัญญาถึงจะเป็นวิปัสนา การเห็นด้วยปัญญาคือเห็นอะไรเห็นไตรลักษณคือการเห็นไตรลักษเพราะนั้นจงทํามยานเห็นจิตก็คือจงเห็นจิตแสดงไตรลักษณการจะเห็นจิตแสดงไตรลักษนัก็แค่ก็สอนว่ามันง่ายนะมันเหมือนตาเราเห็นรูปตาเราเห็นรูปลองหลับตาสิหลับตาหลับตาไป ตาเสื้อเหลือไม่ยอมหลับตาเค็งหัเวเลยปิดตานะแล้วหันไปหันไปทางไหนก็ได้นะแล้วลืมตาถูกเห็นไหมว่ารูปที่ตาเห็นเนี่ยเราไม่ได้เลือกมันมีรูปอะไรอยู่ขวางตาเราอะตาเราก็เห็นนะการดูจิตก็เหมือนกันเราไม่เลือกว่าจิตดีหรือจิตไม่ดี จิตสุขหรือจิตทุกข์จิตสงบหรือจิตฟุ้งซ่านไม่สําคัญสําคัญที่ว่าจิตมันเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้ น, นแล้วเราก็รู้ลึกลงไปอีกชั้นหนึ่ง <นะ S 2> ว่ามันเป็นไตรลักษณ์ดังนั้ น, <ะ S 2> นการดูจิตจะดูได้สองระดับอันแรกรู้ถึงสภาวะที่กําลังปรากฏกับจิตเช่น จิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขจิตมีความทุกข์รู้ว่ามีความทุกข์จิตโลภรู้ว่าจิตโลภจิตโกรธรู้ว่าจิตโกรธจิตหลงรู้ว่าจิตหลงจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตหดหูรู้ว่าหดหูเนี่ยอันนี้รู้ด้วยสตินะสมาธิเราก็จะเพิ่มขึ้นเลยด้วยต่อไปยกระดับ ไปรู้ด้วยปัญญานะการรู้ด้วยปัญญาคือเราจะเห็นว่าจิตสุขก็ไม่เที่ยงจิตทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะจิตดีจิตชั่วโลภโกรดหลงล้วนใจไม่เที่ยงทั้งนั้นนะอย่างขณะ น, นี้จิตใจเราสุขหรือจิตใจเราทุกข์รู้ไหมในขณะ น, นี้ถ้าจิตใจเราสุขเราก็รู้ไปแล้วก็จะเห็นนะความสุขอยู่ชั่วคราวเราก็หายไปเฟดไปหายไป มีความทุกข์เกิดขึ้นเราก็รู้ว่ามีความทุกข์อันนี้รู้ด้วยสติต่อมาเราก็เห็นนะความทุกข์มันสลายไปเนี่ยเราเห็นความไม่เที่ยงอันนี้เรียกว่าเราเห็นด้วยญาณเห็นด้วยปัญญาแล้วการเห็นด้วยญาณการเห็นด้วยปัญญาคือวิปัสนาญาณนั่นเองไม่ใช่ญาณธรรมดานะจะเห็นด้วยวิปัสนาญาณคือเห็นว่ารู ป, ปรธรรม ที่จิตไปรู้เข้านำมารำที่จิตไปรู้เข้าล้วนแต่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นเรียกได้ว่าเห็นอนิจจังรูปธรรมหรือนามธรรมที่จิตไปรู้เข้านี่กำลังถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนแปลงอย่างความสุขเนี่ยเกิดขึ้นเรามีสติรู้อยู่ก็เห็นว่าความสุขกำลังถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนแปลงร่างกายนั่งอยู่เรา ร, รู้ว่าร่างกายนั่งอยู่แล้วมีปัญญาเห็นลงไป ร่างกายกำลังถูกบีบขันอย่างความปวดความเมื่อยในร่างกายนยกำลังเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเราก็ปวดเมื่อยมากๆเราก็ขยับตัวเนี่ยร่างกายในอิริยาบทเดิมต้องเปลี่ยนไปไม่สามารถอยู่ได้ตลอดเพราะร่างกายมันทุกข์มันถูกบีบขันคาว่าทุกข์ในไตรลักษณ์เนี่ยนะหมายถึงมันถูกบีบขันอนิจจังหมายถึงสิ่งซึ่ ง, งเคยมีแล้วไม่มี นะสิ่งที่มีอยู่แล้วมันดับไปเรียกว่าอานิจจังตัวทุกขังเนี่ยสิ่งซึ่งกำลังมีเนี่ยกลังถูกบีบคั้นให้ดับไปนะอนัตตาคือสิ่งทั้งหลายจะมีหรือสิ่งทั้งหลายจะดับไปนะเป็นเพราะเหตุถ้ามีเหตุสิ่งนั้นก็เกิดหมดเหตุสิ่งนั้นก็ดับนี่คืออนัตตา เนี่ยเราจะดูจิตใจนะถ้าสายหลวงปู่ดุลแท้ๆที่ท่านสอนหลวงพ่อเนี่ยมียานเห็นจิตนะมียานเห็นจิตก็คือเห็นจิตเนี่ยมันแสดงไตรลักไปเรื่อยๆจิตสูบเกิดขึ้นก็ดับไปจิตทุกเกิดแล้วก็ดับไปจิตดีจิตโลภโกรธหลงเกิดแล้วก็ดับไปอันนี้คืออนิจจังการเห็นอนิจจังเห็นด้วยปัญญา แล้วก็การดูไปจิตจะสุขหรือจิตจะทุกข์จิตจะดีหรือจิตจะโลภจิตจะโกรธจิตจะหลงเราสั่งไม่ได้เราบังคับไม่ได้อย่างเราเจตนาจะไม่โกรธนี่มันก็โกรธเราจะตั้งใจฟังหลวงพ่อไม่ให้จิตม็อกแวกหนีไปคิดเรื่องอื่นนะฟังได้นิดนึงก็หนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วเราห้ามมันไม่ได้ ตรงที่เราเห็นว่าจิตเป็นของห้ามไม่ได้เรียกว่าเห็นอนัตตาเพราะฉั้นเราอยากมีปัญญาเราก็จงทำยานเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปคือรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปโดยไม่เลือกอะไรเกิดขึ้นก็รูป้ไปเหมือนตาเราเนี่ยเราไม่ได้เลือกว่าจะเห็นรูปที่สวยหรือรูปที่ไม่สวยเราเลือกไม่ได้อย่างบางคนนะจะดูดอกไม้สวยนะ ดูไปดูไปเจอกองชีหมาเนี่ยไม่ได้เจตนา จ, จะดูบางคนเห็นรถเข้าชนกันก็อยากดูก็อยากดูนะกลัวก็กลัวไอ้คนอยากดูก็คอยดูในเข้าชนกันมีคนตายอยู่ที่ถนนอะไรเงี้ยได้ยินข่าววิทยุบอกพอรถจะผ่านลงนั้นก็ชะเง้อดูไม่เห็นศพเลยอีกคนหนึ่งไม่อยากดูนะ กลัวไม่อยากดูหันหน้าฝปีทางริมถนนนะตะโก้เขายกศพมาตั้งริมถนนแล้วนะเราเลือกไม่ได้ว่าจะเห็นรูปที่ดีหรือรูปที่ไม่ดนะีไม่อยู่ที่กรรมของเรามีกรรมจะเห็นรูปไม่ดีมันก็เห็นรูปไม่ดนะีมีกรรมจะเห็นรูปที่ดีมันก็เห็นรูปที่ดีทั้งๆ ท, ที่พยายามหนีนะไม่มองแล้วตรงที่รถชนาหันมามองริมถนนนี่ฝังก็ไปเจอศพเละเท น, น่ากลัวนะ เลือเต็มไปหมดอะไรเงี้ยสมองไหลตาเห็นรูปตาเลือกรูปไม่ได้จิตจะรู้อารมณ์ก็เลือกอารมณ์ไม่ได้ไม่ต้องเลือกมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปเรื่อยๆ ร, นะรู้แล้วก็ให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้เนะนี่ยสิ่งที่หลวงปู่ดูลสอนประโยคหลักๆมีสองอัน อันหนึง่งอย่าสมจิตออกนอกถ้าจิตไม่ออกนอกจิตก็ตั้งมั่นจิตก็ส่งสมาธิได้สมาธิน่ะพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นก็รู้รสมีกายก็รู้สัมผัสมีใจก็คิดไปตามธรรมชาติแต่พอมันกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเนี่ยเกิดสุขมีสติรู้ทันเกิดทุกมีสติรู้ทันนะ เกิดโลภโกรธหลงมีสติรู้ทันนี้พอรู้ไปช่วงหนึ่งเราจะเห็นนความสุขความทุกข์ความโลภโกรธหลงความดีทั้งหลายเกิดแล้วดับทั้งสิ้นตัวนี้คือตัวปัญญาจนะยตานเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปเราเห็นรูปเราบังคับรูปไม่ได้อย่างคนมันเดินอย่างเงี้ยเราไปมองเห็นคนเดินเราก็ไปสั่งมันไม่ได้ว่าห้ามกระดุกระดิกนะนิ่งอย่างเงี้ย เราสั่งไม่ได้เราก็จะไม่สั่งจิตให้นิ่งนะเหมือนตาสั่งรูปไม่ได้จิตก็สั่งอารมณ์ภายในไม่ได้นะสั่งทำมารมณ์ไม่ได้ปล่อยให้มันทํางานไปนะแล้วก็มีสติระลึกรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็ดูเข้าไปจนกระทั่งเห็นทุกอย่างที่จิตรู้ล้วนแต่ไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปทั้งสิ้นทุกอย่างที่จิตรู้ บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้เฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้ในที่สุดปัญญาจะเกิดพอปัญญาเกิดแล้วเนี่ยมันจะรู้ความจริงจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเราสั่งไม่ได้เมื่อใดเราเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเนี่ยร่างกายที่จิตอาศัยอยู่ก็จะไม่ใช่เราไปด้วยโลกทั้งโลกที่จิตมาอาศัยอยู่นี้ก็จะไม่ใช่เราไปด้วยนะ เห็นจิตไม่ใช่เราเพียงแห่งเดียวนี่แหละเพียงตัวเดียวนี่แหละก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราของเรานะภูมิจิตภูมิธรรมอันนี้คือพระโสดาบันแล้วการปฏิบัติต่อไปมันก็จะเห็นขันธ์ที่หยาบคือเห็นกายเนี่ยมันไม่ใช่เรานะตั้งแต่โสดา เ, เห็นกายแล้วไม่ใช่เราแล้วต่อมาจะเห็นนะกายนี่คือตัวทุกนะสติมันอย่างลงไปแล้วปัญญามันเกิดร่างกายนี้เต็ไมไปด้วยความทุกข์นะ จิตหมดความยึดถือกายนี่คือภูมิธรรมของพระอนาคามีนะถัดจากนั้นน่จิตจะรวมลงที่จิตการปฏิบัติในขั้นสุดท้ายเนี่ยจะตะลุมบอลอยู่ที่จิตที่เดียวเลยนะ จ, ะจะเห็นจิตเกิดดับหุนเวียนเปลี่ยนแปงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวโรคโกรธลงเดี๋ยววิ่งไปทางตาเดี๋ยววิ่งไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะ เห็นมันหมุนเวียนบังคับมันไม่ได้เห็นว่าจิตนี้ในแต่ละวันแต่ละเวลาแต่ละขณะเต็มไปด้วยความทุกข์มีภาระจิตนี้มีงานทำตลอดเวลาไม่เคยได้พักผ่อนเลยจิตนี้มีภาระมากพารู้ความจริงว่าจิตคือตัวทุกข์จิตจะปล่อยวางจิตเมื่อจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งแล้วจิตจะปล่อยวางจิต หลงดดวงปู่ดูลย์สอนจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมัคแต่ความจริงท่านอยากจะพูดว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมัคแต่ว่าคนมันจะโจมตีท่านก็เลยเลี่ยงลดระดับลงมาเป็นจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมัคถ้าพูดอย่างเต็มภูมิไม่เกรงใจใครก็คือจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมัค พอจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งก็คือการที่จิตเห็นว่าจิตนั้นเป็นไตรลักษณ์เมื่อจิตเห็นจิตเป็นไตรลักษณ์จิตจะไม่ยึดถือจิตเมื่อจิตไม่ยึดถือจิตจิตจะไม่ยึดถือขันห้าไม่ยึดถือโลกทั้งโลกความหลุดพ้นก็เกิดขึ้นตรงนั้นเองที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมักผลเป็นนิโรดนิโรดก็คือเกิดมักผลขึ้นมาโดยเฉพาะถ้าเห็นจิต เป็นทุกข์ขึ้นมาจริงๆนี่ยเห็นจิตไม่เที่ยงเห็นจิตเป็นทุกข์จิตเป็นอนัตตาเนี่ยไม่ว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งจะเป็นอรหัตตมักปล่อยวางจิตได้ให้คําสอนของหลวงปู่ดูลนะต่ําสุดเลยอย่าส่งจิตออกนอกเราจะได้จิตที่อยู่กับเนื้อกับตัวถัดจากนั้นเราดูจิตมันทํางานไปจงทํายานเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูป แล้วต่อไปสิ่งที่เราจะได้มาก็คือจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมักผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธเป็นอรหั ต, ตผลเป็นนิพพานนี่คือใจความทั้งหมดที่หลวงปู่ดูลสอนบางคนมันยี่เเงานะไปเรยกับหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลเห็นว่าฟุ้งซ่านมากท่านก็อยากคิดมากทาจิตให้มันสงบให้มันนิ่งให้มันว่าง เลยคิดว่าหลวงปู่ดูลสอนแค่นี้ น, ะ น, นั้นเบสิกมากเลยสมาธิขั้นต้นยังไม่มีเลยท่านสอนให้จิตใจสงบมานะถัดจากนั้นนะจะสอนสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูลเนี่ยท่านไม่สอนนะว่าทําจิตให้สงบท่านไม่สอนว่าอย่าสง่งจิตออกนอกนะเพราะจิตหลวงพ่อไม่ออกล่อกอยู่แล้วจิตหลวงพ่อตั้งมั่นตั้งแต่เป็นโยม ทำไมจิตมันตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ได้ผมว่าทำสมาธิเยอะจิตรวมลงไปเนี่ยโลกธาตุดับเลยนะร่างกายหายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวเด่นดวงอยู่งันไม่ขาดสติเลยนะออกมาแล้วเนี่ยจิตมันเป็นคนดูอยู่ตลอดเลยจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่หลวงปู่ดูลไม่ต้องสอนสิ่งเหล่านี้กับหลวงพ่ออันแรกที่หลวงปู่ดูนสอนหลวงพ่อคือดูจิตดูจิตมันทำงานไปเลย อย่าไปทําจิตให้นิ่งนะท่านบอกให้ดูจิตหลวงพ่อพลาดหลวงพ่อไปทําจิตให้นิ่งๆฝึก อ, อยู่สามเดือนแล้วไปบอกท่านว่าดูได้ละได้ทั้งวันเลยจ้องไว้ทั้งวันท่านบอกทําผิดนะจิตมีธรรมชาติจิตนึกปรุงแต่งไม่ใช่ไปทําให้มันนิ่งไม่ใช่ทําให้มันว่างปล่อยให้มันทํางานแล้วมีสติรู้ไปนะนั่นแหละคือยานเห็นจิตแล้วสุดท้ายนะเราจะเข้าใจนี่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมรร ไม่ใช่เรื่องอื่นเลยอ่อันไปทางโ น, น้นพอสมควร